ตอนนี้ไปต่างคนก็ต่างตั้งใจต่างคนก็ต่างรับสายใจต่างคนก็ต่างดูแลหัวใจตัวของตัวเองให้รู้จัก การไปและการมาการอยู่การออกการเข้าแห่งความคิดซึ่งตัวเองมีความคิดไปจำมาตั้งแต่เกิดหรือมาตั้งแต่แรกเกิดให้เราพยายามตั้งข้อสังเกต สรงรักษาในความเป็นมาของเขาซึ่งเขาเป็นมาโดยวิธีไหนเราจะหาอุบายอุบายรำคือคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกให้หาความสงบ เบื้องต้นเขาก็มีความคิดมาความปรุงแต่งมาแต่เราจะมาทำความสงบที่จะให้สงบนั้นจะมีหนทางที่จะทำความสงบได้เหมือนอย่างคำสอนของบุพุทเจ้าอรือไหมข้อนี้เราก็ต้องพิจรารณา ด้วยตนของตอนเองแม้แต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ไม่มีใครเสี้ยมสอนไม่มีใครตัเกเตือนพระองค์อันดับแรกแต่พระองค์ก็มาคิดเอาเองและก็มาทำเอาเองแต่พระองค์ก็ยังมีความสามารถ ทำความสงบนั้นให้บังเกิดขึ้นในดวงหฤทัยใจของพระองค์ได้จนถึงกับพระองค์นั้นได้ตัดสรลเป็นอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็ยังทำได้ทั้งที่ว่าไม่มีใครทำมาก่อนแต่พระองค์ก็ยังทำได้ ที่นี่เมื่อมีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ทามาเป็นตัวอย่างและท่านก็บอกเร า, าเก้าสิบมาให้แกพวกเราฟังเราก็ได้ยินได้ฟังและเราก็ได้อ่านตามตำรับตำราก็เคยอ่านมามากแต่พระองค์ก็ทรงทำได้ แม้กระทั่งถึงพระอรียสง์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้ฟังจากพระโอษของพระองค์ท่านเหล่านั้นก็สามารถที่จะทำความสงบได้และก็ยังความสำเร็จให้แก่ตัวเองได้ท่านก็ทํามาเป็นตัวอย่าง เราก็ได้เอาตัวอย่างนั้นละมามาปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ลนะ่ะ <c oughs> ที่นี่เราจะทำตามคำสอนของพุทธเจ้าและจะทำตามตัวอย่างของพระอริยเจ้าที่ท่านทำมา <c oughs> เมื่อเราจะทำตามเราจะทำอย่างไงลนะ่ะ เราก็ตั้งข้อสังเกตก็ตั้งข้อสังเกตไปในหัวใจตัวเองว่าใจตัวเองมันเป็นอย่างไรมันคิดมันปรุงมันแต่งมันนึกอะไรที่มากตามที่มันนึกมากตามสัญญาอารมณ์ เราหาหนทางที่จะต้องแก้ไขเขานะ่นก็ด้วยสติและปัญญาของเรานนะให้เอาความสงบนั้นนะให้แก่ดวงหัวใจของเรานะ่ให้แก่จิตใจของเรานะเราทำยังไงจึงจะสงบได้ ที่นี่เราก็เคยทำมาและเคยปฏิบัติมาแล้วก็เคยฟังมาทำยังไงจึงจะสงบได้เราก็พากันเข้าใจกันอยู่แล้วก็มีการกาหนดลมลนะในเบื้องต้นตลมเข้าและลมออกคือลมหายใจเข้าออกของตัวเองสาหรับเบื้องต้น แล้วก็มีการบริกรรมวัุคุโธพุทธโททธโในใจนะนะนี่มีที่ีการที่จะทำให้มันสงบเราเอาอันนี้ลหละสำหรับที่จะไปแก้ไขนำเอาข้าคุณของพระพุทธเจ้าเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาคือคำบริกรรมเรานำเข้าไป ตั้งองค์พุโทโธเอาไว้ในหัวใจนะตั้งไว้ตรงนั้นนะแล้วก็แก้ไขตรงนั้นและอย่านำเรื่องราวต่างๆเข้ามาทับถมเขาและอย่าให้เขาไปนำเอาเรื่องมาทับถมตัวเองคือให้เรากำหนดกำหนดสกัด ความชิดของตัวเองด้วยสตินะสติเราก็มีแล้วนะสัมปชัญญะเราก็มีแล้วนะเราไม่ได้ไปเอาของใครมานะเขามีก็มากับตัวเขาพร้อมหมดทุกอย่างแล้วไม่ได้ไปซื้อใครและไม่ได้ไปขอใครและไม่ได้ไปแย่งใครมา เป็นของธรรมชาติซึ่งมันเกิดขึ้นกับตัวเองในเรื่องสติและสัมปชัญญะแล้วเราก็จะเอามาใช่ตามธรรมชาติแม้จะเราอยู่ในปัจจุบันเรากใ็ใช้สติของเรานะถ้าไม่มีสติละงานการของเรานะจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยหรือ และมันจะดีขึ้นได้ยังไงถ้าเราไม่มีสติแม้แต่การทําการพูดถ้าทําไม่มีสติมันก็เป็นประโยชน์ไม่ได้ถ้าพูดไม่มีสติแล้วมันจะไปรู้เรื่องอะไรแล้วมันจะเป็น่าฟังอะไรสติมันมีพร้อมอยู่แล้วล่ะ คือมันเป็นของธรรมชาติของเขาอยู่แล้วแต่เราก็จะต้องฝึกฝึกตัวเขาเนี่นนะเอาตัวของเขาเนี่ยฝึกเขาฝึกตัวของตัวเองเนะนะี่ะให้ดีฝนะึกให้เขามันดีขึ้นสติมันก็มีอยู่แล้วแล้วก็ฝึกสติให้มันดี ขึ้นมาในตัวเขาน่ะแล้วก็เพื่อเพื่ออะไรนะเพื่อจะแก้เขาน่ะก็เพื่อจะรู้เท่าทันเขาน่ะเพื่อจะแก้ปัญหาเขาน่ะทําไมถึงแก้เขาล่ะเขาเป็นอะไรเพรเขามันคิดมากก็มันคิดมากมันทํามันเป็นอะไรมันคิดมากนะเมื่อเขาคิดมากแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นจากเขา เขาคิดมากมันก็มีเรื่องมากมันก็มีตัวทุกข์เกิดขึ้นจากเขาแล้วก็ทำให้ตัวเขาฟุงา้งซ่านแล้วก็ทำให้ตัวเขานั่นนะอ่ะวุ่นวายก็เราจะเอาตัวสตินั่นนะ่ะเข้าไปแก้แก้ความฟุง้งซ่านแล้วก็แก้ความลำคัญแล้วกแก้ความวุ่นวานยะ แล้ว เ, เอาเสติสัมปชัญญนะนะ่น่ะเข้าไปแก้มาแล้วก็นำเอาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคือพุทโธนะ่ะเอาพระคุณของท่านนะ่ะคือพระนามของท่านทนะ่านน่ะเอาไปตั้งไวเ้เถอะให้มันพร้อมไปด้วยสติสติก็ให้มีพร้อม พุทโธกับสติก็ให้มันพร้อมกันพุทโธกับสัมมชัญญะก็ให้มันพร้อมกันให้ตั้งไว้เจ็บให้ตั้งไว้าภายในน่ะนะเมื่อพุทโธเข้าไปแล้วน่นสะสภาพของจิตของเราจะเป็นยังไง เราก็ค่อยดูเอาทิว่ามันจะเป็นยังไงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างลักษณะของความสงบนั่นแหละมันจะมีมาก่อนนะถ้าพุทโธเข้าไปถึงถ้าไปถ้าถึงพุทโธนะความวุ่นวายนะนะแล้วความฟุ้งซ่านและความกวนกวยนะความลุกลี้ลุกลน ความลำคันในตัวเองถ้าสติของเราพร้อมไปโดยพุทธโธถ้าพุทธโธเราพร้อมไปด้วยสติและสัมปชัญญะความมีเท่านั้นนะที่จะนำความสงบเข้าไปให้ความสงบนั้นก็จะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นกันตรงนั้นนะ เมมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นยังไงไอ้ความสงบนั้นแหะถ้าไม่มีความสุขหรอแล้วความสงบมันก็ไม่มีความหมายสิพระพุทธเจ้าก็คงจะไม่สอนให้ให้พวกเราทําความสงบที่พระองค์ต้องการในพุทธบริษัททาความสงบก็เพราะมันมีความสุขนั่นแหะมันหายจากความวุ่นวายวะ่ะ แต่สําหรับความสําเร็จน่นนะเราก็เอาไว้นั้นก่อนก็อย่าพึ่งว่าสําเร็จอย่างนั้นสําเร็จอย่างนี้ก็อย่าพึ่งว่าให้เราเอาเฉพาะความสงบนั้นไว้เป็นฐานรองรับจิตของเราเพื่ออยู่ประจําวันกันไปก่อนเพื่อใจของเราที่จะได้ปฏิบัตินั่นนะให้มันได้ก้าวหน้าขึ้นไปโดยลําดับลําดับบ้าง แต่สำหรับความสำเร็จนั้นน่ะเอาไว้เมื่อภายหลังมันจะไปถึงความสำเร็จหรือไม่อันนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราเอาความสงบไว้ก่อนตั้งฐานแห่งความสงบเอาไว้ภห้ในจิตของเราก่อนเอาจิตของเราให้อยู่ด้วยความสงบเก่อน อานุภาพของความสงบในจนิตจิตที่มันด้รับความสงบนะมันจะมีอะไรบ้างความดีของเขาซึ่งเขามีมาที่เราเรียกว่าบุญเก่าหรือว่าของเก่าที่เรียกว่าบุญญาบารมีแล้วเขาจะมีไหมเขาจะแสดงออกไหม คุณค่าของเขาเนะี่ยเขาจะมีในตัวของเขาไหมถ้าเขามีความสงบแล้วนะ่ถ้าความดีของเขามีเนะ่ะเขาจะต้องแสดงแสนียานุภาพของเขาเองนะเราไม่ต้องไปแต่งเขาแต่งว่าให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ให้ดีอย่างนั้นให้ดีอย่างนี้เราไม่ต้องแต่ง มีแต่เพียงว่าเราสงบอยู่เฉยๆเมื่อเราสงบแล้วความสงบนั้นน่ะมันจะแสดงอะไรให้ตัวของตัวเองที่ตัวเองจะมีความดีอันที่มันเกิดอัที่มันเป็นคุณสมบัติของเก่าที่มันมีมาตั้งแต่ดั้งเดิม ที่เราเคยได้สร้างสมอบรมบำรมีมาคุณสมบัติในตัวของจิตนะ่ะมันจะมีอะไรบ้างก็ให้เขาแสดงเองแต่เราก็อย่าไปคิดเอาถ้าเราไปคิดเอานะมันกบไปหมดล้วมันปกปิดความดีหมดความดีแทนที่มันจะเกิดขึ้นเอง ที่มันจะแสดงออกมาให้เราเห็นเองเพอความคิดของเราไปคิดไว้เท่านั้นแ่ะมันงอกมาไม่ได้มันแสดงออกมาไม่ได้ตกลงมันก็เลยไม่เห็นความดีของตัวเองก็เพราะความคิดของตัวเองนั้นมันไปกบเอาไว้ชาญแทนที่มันจะเกิดขึ้นมาสมาธิ แต่แทนที่มันจะเกิดขึ้นมามันก็ไม่เกิดในสมาธินั้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นแทนที่มันจะเกิดขึ้นให้เราเห็นในสมาธินั้นมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีมาให้เราเห็นอีกก็เพราะอะไรก็เพราะเรามันมีแต่ความคิดนั่นแ่ะอะไรก็ไปคิดเอาหมด อ น, นิจจังเราก็คิดเอาเองทุกขังเราก็คิดเอาเองอนัตตาเราก็คิดเอาเองเขาจะเป็น<ข>หรือไม่เป็นเราจะคิดก็ตามไม่คิดก็ตามเรื่องของอนิจจังมันเป็นเป็นของที่แน่นอนเรื่องทุกขังมันก็เป็นของที่แน่นอนเรื่องของความหาเจ้าของไม่ได้ก็เป็นของที่แน่นอนคืออนัตตา เขามันเป็นประจําโดยธรรมชาติอยู่อย่างนี้นะ่ะเราจะคิดหรือไม่คิดเขาก็มีอย่างนี้ที่นี่เราก็รู้ว่าเขามันมีแล้วละ่ะเรื่องของอนิจจังที่นี่ส่วนอนิจจังปีเก่าเนะี่ยก็อีกไม่กี่วันเนะ่ะมันก็จะหมดแล้วเนะหลืออีกกี่วันนะ จากนี้ไปประมาณสี่หรือห้าวันเนี่ยนะที่มันจะหมดแล้วเรื่องอ น, นิจจงความเมื่อความไม่แน่นอนอะความไม่คงที่ของวันเดือนปีมันก็จะหมดไปแล้วนะที่นี่ส่วนความเป็นอยู่ของเราลนะ่ะมันจะเลินหรือมันเสื่อมลนะ่ะ คว่าจเจริญเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมันก็มีแต่จะเสวมนั่นแหละแต่เราก็ถือว่าเราได้ของใหม่แต่ความเป็นจริงน่ะมันก็เป็นไปในทางเสวมนั่นแหละเพราะมันมหาความจเจริญไม่ได้หรอกจเจริญอะไรมันจเจริญมาแล้วในเรื่องความเป็นอยู่ของอายุแต่ความเป็นอยู่ของธรรมชาติ ที่เราได้ฝ่าฟันอุปสรรค65วันมาเน่ะเราก็ถือว่าเราดีแล้วก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอันมหาศาลเราก็พอยดีใจกับความเป็นบุญเป็นกุศลของตัวเองซึ่งได้ฝ่าฟันอุปสรรคหรือฝ่าฟันอุปสอันตรายมาได้เราก็ทำความดีใจก็เพราะสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นน่ะ อย่าไปคิดว่าจะดีใจเพื่อความเจริญไปข้างหน้ามันมีแต่ความเสื่อมนะนั่นเป็น น, น, นั่นมันเป็นเรื่องของอนิจจงเราจะคิดก็าตามไม่คิดก็าตามอนิจจงมันเป็นอย่างนั้นนะเราก็รับทราบกันไว้แล้วและรับทราบกันอยู่แล้วเมื่อเรารับทราบอย่างนั้นลนะ่ะ ที่อันชีวิตของเรานั้นมันก็จะสั้นเข้าไปเนะี่ยความสั้นของชีวิตเนะี่ยมันก็คือความจะหมดนั่นแหละความมันจะหมดแห่งชีวิตคือหมดแห่งความเป็นอยู่นั่นะเมื่อมันหมดหรือความเป็นอยู่ล่ะมันอยู่ไม่ได้ล่ะแล้วมันก็จะไปเนะี่ยเมื่อมันไปนั่นลนะ่ะ ก็ขอให้มันไปด้วยความดีบ้างที่พระพุทธเจ้าได้ตดรัสไว้นั่นสินก็ให้มันสมบูรณ์บ้างสมาธิก็ให้มันสมบูรณ์บ้างปัญญาพอที่จะให้สมบูรณ์ก็ให้มันสมบูรณ์บ้างเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อจะได้เป็นคุณสมบัติ ก็พอจะพ้นได้มันก็พ้นได้เพราะทำฉ่ประการนี้นก็เพราะศีล ส, สมบูรณ์ก็สมาธิของเราก็สมบูรณ์ปัญญาของเราก็สมบูรณ์สิ่งที่จะหลุดพ้นในข้างหน้ามันก็จึงจะสมบูรณ์ สิ่งที่จะหลุดพ้นก็คืออะไรก็ ค, คือความวมดตตนะมันก็ต้องสมบูรณ์ไปด้วยศีลสมาธิก่อนเดี๋ยวเราก็ไม่ถึงหรอกเอาแค่ว่าความสงบไปก่อนเอาพอเป็นที่พึ่งไว้ก่อนอย่างไรอย่างไรก็เอาเป็นที่พึ่งไว้ก่อนเอาพอเป็นบุญไว้ก่อน เอาความสุขพอเป็นฐานสำหรับรองรับจิตของเราไว้ก่อนก่อนที่ว่าอานิจจังมันจะมาถึงนะอนิจจังมันมีอยู่ข้างหน้ามันก็น้าเรื่อยไปนะ่ะอนิจจังขนะ้างหลังมันก็หมดไปข้างหน้ามันก็ค่อยมาถึงแล้วมันก็หมดไปก่อนที่มันจะหมดนี่แหละ แต่เรื่องความหมดของชีวิตนั่นนะมันไม่มีอะไรเป็นนิมิตเครื่องหมายที่จะบอกว่าวันเดือนปีพศออมันไม่มีขึ้นนิมิตเครื่องหมายบอกแต่มันก็ต้องไปแน่ความแน่นอนแห่งการไปของเขาน่ะ น, นั่นละ่ะเขาไปแน่ เมื่อเขาไปแน่นทำอย่างไรล่ะสินเราจะสมบูรณ์สมาธิเราจะสมบูรณ์ปัญญาของเราจะสมบูรณ์เราจะทำยังไงก่อนที่มันจะสมบูรณ์ได้เราจะทำยังไงทำความสงบไว้ก่อนดีนะเอาความสงบก่อน สงบในอะไรนะ่ะสงบในองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าคือพุทธโอนะเอาพระพุทธเจ้านั่นลหละเป็นหลักเป็นที่พึ่งที่จะนำมาซึ่งความสงบนะั่นแล้วความสงบนั้นจะให้ประโยชน์อะไรนะเราก็ค่อยดูเอาสิ ดูความสงบหน่สิแล้วมีอะไรจะเกิดขึ้นในตัวเองอ่ะธรรมชาติของความดีนะมันมีอยู่แล้วนะแต่ละจิตละจิตนะแต่ละหัวใจนะธรรมชาติเขามีอยู่แล้วนะแต่เรามันหาไม่พบเ่านั้นนะหาเขาไม่เจอฉะนั้นนะ คือหาตัวของตัวเองเนี่ยมันหาเจอยากก่าหาจิตของตัวเองรู้สึกว่ามันหายากแสนที่จะยาก ห, หาอะไรในโลกนี้นะ่ะมันไม่ยากเท่าหาใจตัวเองหรอกหาอย่างอื่นมันก็ยังพอหามันก็ยังพอได้ไอเรื่องหาใจเนี่ยพากันไปทุกที่ ที่ไหนเข้าว่าดีๆไปหมดกลับมาเขามันก็อยู่เท่าเดิมนะั้งทั้งๆที่มันมีอยู่เนี่ยนะก็อยากได้มันก็อยากเห็นมันก็อยากรู้มันแล้วอยากอยากรู้ว่าความดีของเขานะ่ะมันเป็นอย่างไงเราก็ต้องการนะต้องการที่อยากรู้เขานะ หาเท่าไรมันก็หาไม่เจอการทั้งที่รู้อยู่นี่แหละแล้วมันเป็นอะไรมันทำไมจึงหายากะ แ, แล้วมันมาแล้วมันก็มาแล้วมันก็กีบภพกี่ชาติแล้วมันมาจากชาติไหนบ้างแล้วมันมาอยู่อย่างนี้นี่ แล้วออกจากนี้มันจะไปข้างหน้าเนี่ยมันจะไปยังไงมันทําไมถึงหายากเหลือเกินและมันทําไมถึงแก้ยากเหลือเกินก็ไม่ว่าใครนะมันมักจะเป็นทุกคนนะในโลกนี่แหละมันเป็นทุกคนนะเลี้ยงไว้แต่คนที่เขาได้แล้วเท่านั้นนะ่ะถ้าเขาได้แล้วนะ่ะเขาก็มีหนทางที่จะแก้เขาได้ เหมือนอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านไปอยู่ในป่าในดงคงลึกบางท่านบางองค์แต่ก็เป็นบางท่านบางองค์เหมือนกันนะก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกองนะก็ไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆนะแต่ท่านก็ต่อสู้ก็เอาชีวิตเข้าแลกนะแต่บางท่านก็สู้ไม่ไหวแต่บางท่านก็ได้ช้ชนะมาก็คือได้ใจนั่นลหละ ก็ไม่ได้อะไรน่ะท่านเอาชีวิตเข้าแลกถึงขนาดนั้นน่ะไอ้หัวใจเนี่ยมันเป็นของที่หายากลและหาหาหาได้ยากกะทั้งที่มันมีอยู่นี่แหละใครไม่มีล่ะนั่งอยู่นี่ล่ะมีไม่ล่ะมันมีทุกคน่ะ ถึงไม่มานั่งอยู่นี่มันก็มีทุกคนเขามีกันทางนั้นนะแต่มีใครเล่าล่ะเป็นผู้ที่หาได้เป็นผู้ที่หาเห็นเป็นผู้ที่เจอข้อใจตัวเองแล้วมันเป็นยังไงมันไม่มีใครนะไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่มีใครเห็นนะ ว่าใจนะั้นอ่ะมันเป็นยังไงมันมาอย่างไงมันจะไปที่ไหนความดีของตัวเองนั้นจะไม่มีบ้างเเลือที่นี่มันก็ไม่รู้เลยมันก็มีแต่เหมาว่าตัวเองไม่มีอะไรดีเลยอย่างนี้ก็มีถือว่ามีแต่าบาปมีแต่กรรมอย่างเดียว ถ้าว่าดีก็ถือว่าจะ ต, ตัวเองดีอย่างเดียวก็ดีไปเลยแต่ในความดีของตัวดีนั้นอ่ะที่มันอยู่ดีนัะมันอยู่ตรงไหนแล้วความดีอันที่มันแสดงแสดงเกิดขึ้นน่ะที่มันแสดงขึ้นในในตัวตัวเองนั้นอ่ะมันอยู่ตรงไหนแล้วมันก็หาได้พบไม่นะ ผู้ที่จะนําพาให้เราไปสู่ซึ่งความสุขน่ะผู้ที่จะนําความสุขมาให้น่ะมันมันมัญหามันไม่เจอเน่ยเราก็มีจะหาบุญเ้วก็หากุศลหากันอยู่อย่างนี้แหละเรื่องหาบุญ่ะก็ไม่มีที่จบคือว่าไม่มีที่สิ้นสุดก็ทํากันอยู่อย่างนี้แหละนี่นี่เรียกว่าเราหาบุญ แต่ไอ้บุญนั้นน่ะเขาไปบรรจุกันไหนแน่เขาบรรจุกันที่ไหนแน่ที่นี่ก็ไม่มีใครไปพบมันอีกลแล้วก็ไม่มีใครเจออีกอย่างพระพุทธเจ้าว่านะที่สิ้นเออที่สุดแห่งที่สุดแห่งทุกข์นั่น มันอยู่ตรงไหนนะพระพุทธเจ้าก็ว่าบุญนั้นนะมันต้องส่งถึงที่สุดแห่งทุกขนะ์ที่สุดของทุกข์ละมันอยู่ตรงไหนจ๊ะที่นี่เมื่อไรเราจะพากันเจอเมื่อไรเราจะพากันพบ ท, นะที่สุดแห่งทุกข์มันก็มีจะหากันอยู่อย่างนี้นะ่ะ ที่ี้เราก็หาแต่ข้างนอกแต่ภายในคือหัวใจของตัวเองเราให้พากันเข้าไปกันเสียบ้างนัตติสันติพ ร, รังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มี น, ะนั้นเราควรที่จะเข้าไปหากันบ้างควรที่จะไปดูกันบ้าง ความสงบมันอยู่ตรงไหนความสงบมันอยู่ภายในเนี่ยอยู่ตรงที่หัวใจเราเ่ยนะที่มันคิดอยู่นี่ยนะมันคิดอยู่ตรงไหนสถานที่แห่งความสงบมันก็อยู่ตรงนั้นนะและมันวุ่นวายตรงไหนสถานที่แห่งความสงบมันก็อยู่ตรงนั้น ความฟุ้งซ่านมันอยู่ตรงไหนสถานที่แห่งความสงบมันก็อยู่ตรงนั้นนะเราก็หาตรงนั้นสิเราก็มุดเข้าไปบางชีล่ะมีแต่ว่ายว่ายน้าหนไีไม่ได้ดำน้าเข้าไปดำเข้าไปข้างในบางชีล่ะ ดำเขาไปข้างในก็คือยังไงก็คือโอปัยญโกดก็คือน้อมเข้าไปบางทีนะน้อมเขาไปข้างในน้อมเข้าไปไหนน้อมเข้าไปในทรงอกนั่นก็น้อมเข้าไปบางทีนะอันนี้มีจะว่ายน้นําหนีมีจะไปตามกระแสโลกกระแสโลกเขาน่ะมันพากันไปตามอาการจิริยาของ ความวุ่นวายไปหมดนั่นมันก่อแส้โลกนะอย่างโลกที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้แหละจิตมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวนะมันไปอยู่กับเรื่องของคนอื่นจนกันเสียหมดแ่ะมันเรื่องของตัวเองมันไม่ได้สนและมันไปสนแต่เรื่องของคนอื่นนะ ถ้โดยมากคนไปกันทำนองนั้นนะที่นี่มันไม่ได้โอบัญญิโกนะน้อมเข้าไปหาตัวเองนะมันไม่มีนะที่นี่มันจะเอาัติสันติพลังสุขขังที่ไหนล่ะ ความสุขมันจะอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีความสุขที่มันจะแสดงออกในตัวของมันนั้นมันมันก็ไม่เห็นนี่แหละตัวเขาที่เขาจะแสดงออกซึ่งความดีนะั่นมันก็ไม่เห็นเ อ, อกเพราะอะไรเพราะเขาไม่อยู่เราก็คิดว่าแต่เขาไม่มีคิดว่าแต่เขาจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าเขาอยู่แล้วมันจะมีอะไรเกิดแล้วมันจะได้อะไรถ้าเราไม่คิดนะก็โดยมากมักจะพูดกันไปทำนองนั้นมักจะมีความเห็นกันไปทำนองนั้นนะมีไม่มีก็ช่างมันสินะก็ให้มันอยู่ซะก่อนสิอยู่ไปเป็นเดือนเดือนไปเป็นปีปีลองดูสิมันจะเป็นยังไง ละจะให้มันดีขึ้นไปทุกวันนะก็อย่าให้มันอยู่เฉยๆนะแล้วมันจะเป็นยังไงเขาจะแสดงความดีของเขาออกในตัวของเขาหรือไม่อันนี้เราก็ไม่รู้เลยเลยปฏิเสธตัวเองทั้งหมดว่าตัวเองนั้นนะ่ะไม่มีอะไร ไปไปมาๆก็เลยเบื่อก็ชังหัวมันก็คิดไปอย่างนั้นอย่ได้หรือไม่ได้แล้วความตั้งใจที่จะต่อสู้กับเหตุการณ์อันที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองก็เลยไม่มีอันอันนี้ก็เพราะอะไรนะก็เพราะความสงบมันไม่พร้อมนะั้นะ สงบไม่พร้อมกับปัญญาก็ไม่พร้อมอีกความรู้ก็ไม่กว้างขวา ง, งอีกความดีก็ไม่แสดงออกสงบก็ได้แต่แค่สงบแต่ความดีที่มันแสดงออกจากความสงบนั้นเพื่อเป็นเครื่องจุงศรนะัทธาเพื่อความเจริญก้าวหน้าของคุณธรรมนะก็มันก็ไม่มีอีกล้ มันก็ได้แต่สงบสงบอยู่เฉยๆก็มีไอความดีที่มันจะแสดงออกล่ะนะก็มันมีอะไรบ้างที่นี่เราก็ยังเป็นห่วงเหลว่ากล้ำกึง่งก็จะไปก็เสียดายเอาจะอยู่เอาก็อยากไปนี่นี่มันยังมันยังคาลาคาสังนะ คือมันยังไม่ตัดสินใจเนี่ยที่นี่มันก็เลยไม่ข้ามเส้นไปได้มันอยู่ในระหว่างกึ่งกลางจิตก็เลยเอาแน่นอนอะไรไม่ได้จะข้ามไปเส้นเลยมันก็ไม่ข้ามจะหลุดมาเสเลยมันก็ไม่หลุดก็เรียกว่ามันอยู่กั้มกึง่งถึงมันจะสงบแต่มันก็ไม่ไม่ก้าวหน้า ปัญญามันก็ไม่เกิดเกิดแต่มันเกิดเฉพาะคือมันมีเท่าไหร่มันก็เกิดเท่านั้นแต่ปัญญาอันที่มีข้างหน้าความดีอันที่มันจะมีข้างหน้าหรือความก้าวหน้าของปัญญามันก็ไม่เลยพร้อมเนี่ยก็เพราะตัวเองเ่ ไม่รู้จักสนับสนุนและปรับปรุงจิตของตัวเองให้ก้าวหน้ามันก็เลยจะทรงตัวอยู่หรือว่ามันจะสุดหรือว่ามันจะทรงเท่านั้นแนหะความก้าวหน้าจะเป็นยังไงล่ะที่จะให้มันเป็นประโยชน์แก่โลกอันจากประโยชน์อัธประโยชน์คือประโยชน์ตอน โลกาทัศ ป, ป, ป, ประโยชน์คือประโยชน์แก่โลกบาลมัตน์ประโยชน์คือประโยชน์อย่างสูงที่นี่มันก็ไม่ไปสิไงชาวโลกมันเรื่องลืออยู่สิละ่ะมันจะเป็นยังไงละ่ะถ้ามันจะเป็นจริงได้ก็มันจริง ส, สิมันจะลือก็อมันลือนะ ถ้าประโยชน์มันสูงสุดละมันถึงขั้นปรมัตถประโยชน์คือประโยชน์อันชั้นยอดประโยชน์อันปรามัตคือประโยชน์อันสูงสุดละเรียกว่าปรมัตถประโยชน์ขั้งแรกมันก็อัตประโยชน์ซะก่อนอย่าอัตประโยชน์คือประโยชน์ในเบื้องต้น คือประโยชน์ตนเสียก่อนนะทำประโยชน์ตนเนี่ยมันเกิดขึ้นเสียก่อนคือทำความสงบนี่นนะถ้ามันเกิดขึ้นแก่พวกเรานะรีบระงับกันซะในระยะนี้นะข้างหน้าไปเนี่ยนะมันก็มีแต่ความวุ่นวายนะ อย่าไปคิดว่ามันจะไปสันตินะบ้านเมืองนะมันจะวุ่นวายอยู่นะไม่รู้ว่าเรานะจะเอ็นเอียงไปทางไหนและจะไปตกลงทางไหนนะจะเอาทางก็เสียทางจะเอาอย่างก็เสียอย่างอะเนี่ยนะมันจะวุ่นในตัวอยู่แล้วนะ ให้รีบระงับตัวเองแล้วก็รีบตัดสินใจตัวเองเอาไว้ความวุ่นวายนั่นนะปีใหม่เราก็รู้ว่าปีใหม่หรอกแต่อะไรมันจะเกิดในปีใหม่นะี่มันก็คือความวุ่นวายนั่นแนะมันก็เริ่มวุ่นวายไปแล้วลนะ่ะนั้นน่ะให้เรารีบทำความสงบ และให้รู้จักตัดสินใจตัวของตัวเองอย่าไปเที่ยวโฆษณาอะไรให้มันมากนักให้มันอยู่ภายในในตัวของตัวเองนะั่นน่ะนั่นก็เรียกว่าอยู่ภายในแล้วเราค่อยตัดสินใจด้วยตนเอง ถึงเวลาเขาหลิวก็ต้องหลิวตาตามเขานั่นแหละบ้านเมืองมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นส่วนโลกส่วนตนของตนนี่ละ่ะเราต้องเตรียมพร้อมเพราะสินธรรมมันเป็นสมบัติของพวกเราอยู่แล้วแ่ะคนอื่นเขาจะเอาหรือไม่เอามันก็เรื่องของเขาเขาก็เอาไปอีกอย่างหนึ่งเขาก็ว่าเขาเอา แต่เขาก็เอาสินธรรมนั้นนะไปก่อกวนเพื่อความวุ่นวายก็หากมีที่นี่เราเอาสินธรรมของเรานะเป็นไปเพื่อความสงบสงบในตัวเรานั่นะเล็ดลอดไปเองทำยังไงเราจะสุขได้แต่ให้สุขไว้เอะ เรื่องอนิจจังนั่นมันไม่มันไม่ได้ยกเว้นใครหรอกมันจะวุ่นวายอยู่มันก็เป็นอนิจจังมันจะทำอะไรอยู่มันก็เป็นอนิจจังมันจะนั่งภาวนาสันติคือความสงบอยู่มันก็เป็นอนิจจังความเปลี่ยนแปลงมันเป็นไปเรื่อยหรอกคือความเจร่ะ มันก็ต้องเก่ตามหน้าที่ของเขาความเจ็บมันก็เจ็บตามหน้าที่ของเขาความตายมันก็ตายตามหน้าที่ของเขาน่ละมันไม่ได้ยกเว้นใครนะเรารีบซะทำยังไงล่ะเราจึงจะสงบได้อย่าไปตามกระแสโลกให้มากนะัก อานลมและอนิจฐาลมคืออารมณ์ในทางที่ดีและอารมณ์ในทางที่ร้ายนะหรือความยินดีหรือความยินร้ายนั่นะเรียกว่ายิษฐาลมอนิจฉาลมความยินดีกับความยินร้ายนั่นะมันก็ไปอยู่ทั้งสองนี่แหละแต่เขาว่าดีตรงไหนมันก็ไปยินดีกับตรงนั้นนะแต่เขาว่าร้ายตรงไหนมันก็ยินร้ายตรงนั้นนะหรือในตัวเองนั่นแะ ทั้งที่มันเป็นอดีตทั้งที่มันเป็นอนาคตส่วนที่มันเป็นอดีตในทางที่ดีในทางที่เป็นอินถลาอมคือความยินดีน่าปราถนาน่ยก็อย่าให้มันมาลกขวนอนิถาลมคืออารมณ์ที่ไม่น่าปราถนา เพื่ออารมณ์ร้ า, ลลายทั้งที่เป็นอดีตก็อย่าให้มันมาลบกวนทั้งสองอย่างนะทั้งอดีตทั้งที่เป็นอ น, นาคตเราก็อย่าให้มันมาลบกวนหัวใจเนะี่ยอย่าให้ใจของเราไปลบกวนเขาให้อยู่ในระหว่างท่ามกลางกลางโลกกระทำ คือความยินดีแล้วความยินไลานะ่ะอย่าไปเกาะเกาะทั้งสองทางนะนั่นเรียกว่ามัชชิมาเนะี่ยคือความเป็นกลางใครจะทำได้นะก็ทำไปลองดูซินั้นและสงบละถ้าอยู่ในระหว่างท่ามกลางทั้งสองอย่างเนะี่ยสงบได้คืออิทธาลมและอนิธาลมทั้งที่เป็นอดีต ท, ทั้งที่เป็นอนาคต ไม่ก่ออะไรทั้งสองอย่างอยู่ในระหว่างความเป็นกลางนั้นเรียกว่ามัติ ม, มาคือความเป็นกลางตั้งอยู่ในถ้ำกลางถ้าจิตอยู่เป็นกลางล่ะความทุกข์มันจะมาจากไหนล่ะมันก็ไม่มา มันก็มีแต่ความผาสุขเท่านั้นนะแต่เราอยู่ภายนอกเราอยู่กับโลกเราก็ช่วยได้ช่วยโลกได้ในเมื่อมันยังมีชีวิตอยู่มันก็ช่วยได้มันก็ไม่ใช่ว่าถึงอยู่เป็นกลางแล้วมันจะไม่เอาอะไรมันก็ไม่ใช่มันช่วยช่วยด้วยความเป็นกลางนะนะแล้มันก็ให้พึ่งด้วยความเป็นกลางนะนะเราให้พึ่งได้พึ่งได้ทั้งสอง คนเราก็จะคิดว่าอยู่เป็นกลางแล้วไม่ทำอะไรจะไม่เอาอะไรมันก็เป็นไปไม่ได้ในเมื่อมีชีวิตอยู่มันก็ต้องช่วยกันเป็นธรรมดาเพราะหลักเมตตาธรรมนะ่ะมันมีตลอดยิ่งอยู่ด้วยความเป็นกลางยิ่งมีเมตตามากแม้จะเราไม่ได้อยู่ด้วยความเป็นกลางเมตตาของพวกเราก็ยังมีกันอยู่ความสงสารความเมตตามันก็ยังมีเมตตาสัตว์ ก็พวกเราก็ยังมีก็ยังใช้กันอยู่เมื่อเราไปอยู่ด้วยความเป็นกลางานะเมตตาของเราก็จะสมบูรณ์ปรินาเราก็สมบูรณ์นั้นมันช่วยได้ น, ะนี่เรียกว่าความสมบูรณ์ในภายในถ้าเราสมบูรณ์ได้แล้วนะ ศีล ส, สมาธิของเราสมบูรณ์นั่นล่ละเราจะอยู่กันด้วยความผาสุขละความสุขนั้นก็จะปรากฏแก่บรรดาพวกเราท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็จะได้ประสบพบเห็นซึ่งคุณสมบัติอันที่มีในตัวเอง ที่เราได้สร้างสรรมาตั้งแต่ดึกดำบัรหรือว่าอาดีตชาติหรือว่าคุณสมบัติของเขาซึ่งมันมีอยู่ในตัวเขาเองนะั่นน่ะความร้ายก็อยู่ในตัวเขาเองนะ่ะมันจะแสดงออกนะนะั่นน่ะเมื่อมันแสดงออกนะั่นน่ะเราจะได้เห็นเห็นความร้ายในตัวเองและเห็นความดีในตัวเอง เห็นอยู่ในจิตตัวเองนะั่นะมันความร้ายกาศมันมาจากจากไหนความดีมันมาจากไหนมันจะเห็นในตัวมันะเมื่อมันเห็นแล้วมันจะหาหนทางปล่อยและหาหนทางวางทั้งปล่อยทั้งวางแล้วมันก็อยู่ด้วยความเป็นกลางเมื่อเขาอยู่ด้วยความเป็นกลางได้ จะไปไหนก็ไปเท่าที่นี่อยู่ที่ไหนมันก็มีแต่ความผาสุกอันนี้แหละเป็นยอดทำคำสอนของบุคคลเจ้าแม้แต่องค์สมเด็จพระผุทมีพระพาเจาเพราะองค์ก็อยู่ด้วยความเป็นกลางคือมัจิ ม, มาอยู่กลางโลกกระทไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายในโลกกระทำ พระอริยสงสารวจเจ้าก็เช่นเดียวกันเราก็มุ่งประเด็นอย่างนั้นละ่ะแต่จะถึงหรือไม่ถึงอันนี้ก็ให้มันเป็นเรื่องของเราแต่ละคนแต่เราก็มุ่งที่สุดอย่างนั้นเช่นเดียวกันแต่จะไปได้เมื่อไรอันนั้นก็ขอเอาไว้ก่อน ไปได้เมื่อไรเราก็ต้องไปเมื่อนั้นถ้ายังไปไม่ได้เราก็ค่อยปฏิบัติไปเหมือนอย่างที่เรากำลังปฏิบัติกันอยู่ในขณะนี้เราก็ต้องคิดอย่างนั้นอย่าไปใจร้อนแล้วก็อย่าไปนอนใจจนเกินไปแล้วก็ให้ค่อยๆทำค่อยๆปฏิบัติกันไปแล้วผลมันก็จะปรากฏขึ้นมา ภายในตัวเองที่ได้กระทำนั้นดังนั้นละ่ะที่ได้แสดงมาก็าสมควรแก่กระเวลายิงขอยุติเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยด้วยกาลสนนี้